กิเลสมันไม่เที่ยงกิเลสเนี่ยเป็นตัวที่เราเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงให้มันน้อยลงนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงได้คือแหมเอาเลยเชได้ช่องเปลี่ยนแปลงให้มันเพิ่มขึ้นไอ้ยังท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันหรอกนะเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าทำกิเลสเรื่องนั้นๆน่นนะให้ลดลงแต่ความสำคัญส่วนใหญ่โดยเฉพาะเราไปสมมติว่าในแง่ราคา เราไปติดใจชอบใจอะไรอะ่ะคุณก็อยากให้มันเที่ยงในเรื่องนั้นคุณไปชอบอพระเอกพระเอกดาราหนังหรือนางเอกหนังคนไหนคุณก็จะชอบอยู่เรื่อยอะ่ะชอบคนไหนก็จะชอบคนนั้นคนนั้นมาแสดงเรื่องนี้มาเลยก็โอ้ยดีดี ด, ด, ด, ดีชอบดูชอบดูนะไอคนที่เราชอบเราก็จะพยายามยึดมันเที่ยงตามกิเลส ข, ของเราส่วนไอคนไหนไม่ชอบคราวนี้นะคนไหนที่เราเกลียด คุณก็จะชอบเที่ยงอย่างเงี้ยฟังดูดีดีนะคือคุณชอบเที่ยงก็คือไอคนนี้เราเกลียดเราไม่ชอบเพราะนั้นเราไม่พูดด้วยเราไม่คุยด้วยเราไม่มองส่วนใหญ่จะชอบไปทําเที่ยงโดยกิเลสอย่างงี้พอไปทําให้มันเที่ยงโดยกิเลสอย่างนี้คนนั้นก็เลยหลงผิดจะเข้าใจผิดคิดว่ากิเลสมันเที่ยงคนจานวนมากในโลกนี้ ที่ชอบคิดอย่างนี้แหละว่าอย่างเนี้ยเที่ยงหรือกิเลสเนี่ยที่ที่เราชอบอะไรเราก็อยากเอามาอย่างเนี้ยต้องเที่ยงอะไรที่เราไม่ชอบก็เอาออกไปอย่างเนี้ยเที่ยงแล้วอย่างเนี้ยถึงจะเป็นความสุขก็เพราะไปคิดอย่างนี้เนี่ยเขาถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะเขาก็จะเอาแต่ฉันชอบเอาเข้ามาฉันไม่ชอบเอาออกไป เนปุถุชนเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปก็จะทําวนอยู่แต่อย่างนี้วนอยู่อย่างเงี้ยหาศูนย์หรือว่าหาจบไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันจบเขาจะวนอยู่ในวัฏฏะสงสารก็คือวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอี ก, ววอกจะหาจุดจบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอนิจจะสัญญาหรือการที่เราเนี่ยเริ่มกําหนดจิตกําหนดใจของเราขึ้นมา เห็นถึงความไม่เที่ยงได้นี่แหละในสิ่งต่างๆบอกแล้วที่มันสมมุติขึ้นมาในโลกนี้เยอะแยะไปหมดต่อให้พูดอย่างเงี้คุณฟังคุณพอรู้คุณพอเข้าใจแต่พอเดี๋ยวไปทำจริงๆก็อย่างที่พันเตติขาท่านพูดถึงถามว่าก๋วยเตี๋ยวกับข้ากล้องอยังไงมีประโยชน์ดีกกัน เาขากล้องมีประโยชน์ดีกว่าแต่พอถึงเวลากินกินก๋วยเตี๋ยวนะจะเที่ยงอยู่เรื่อยเห็นไหมความรู้มันอีกเรื่องหนึ่งแต่พอกิเลสเราจะเอากิเลสเที่ยงอยู่เรื่อยทั้งทั้งที่พอพูดไปแล้วเนี่ยบอกรู้กิเลสมันไม่เที่ยง <c oughs> ใช่ไหมรู้ว่ากิเลสไม่เที่ยงนะแต่พอคุณทําทีไรคุณจะทําตามกิเลสอยู่เรื่อยเลยเนี่ยเพราะคนที่แก้ตัวเองไม่สําเร็จปรับปรุงตัวเองไม่สําเร็จก็เพราะว่า จะไปให้กิเลสมันเที่ยงอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยทําไมจะต้องอันนี้เอาเข้ามาแก้นะอ น, นิจจาสัญญาเนี่ยทําไมถึงเอาเข้ามาแก้ตัวไอ้อสมิมานะก็เพราะว่ามันชอบกิเลสคนเราเนี่ยมันชอบไปยึดว่าต้องเอากิเลสแบบนี้ต้องเอากิเลสแบบนี้นะมันถึงจะเป็นความสุขมันถึงจะเป็นความต้องการของชีวิต แล้วนะจะจะอยู่ได้แบบแหม่สบายเลยนี่แหละมันจะมีอัตามานะพวกเนี้ที่จะยึดอย่างนี้อยู่เรื่อยเพราะนั้นคุณเผลอเมื่มอไหร่คุณก็ไปตามอย่างนี้ทุกทีรักนะรักสุขเกียรติทุกรักสุขเกียรติทุกขก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเป็นไงสุขเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง สุขเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วทุกข์อะเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะทุกข์นี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะลองถามใหม่อีกทีทุกข์นี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไหนใครว่าเที่ยงยกมืออ้าวมีใครว่าทุกข์ไม่เที่ยงอย่ายกมือเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อะไร นะผู้ชาติตาสรูทุกเพราะจริงจริงเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยทุกจริงจริงแล้วทุกเนี่ยเที่ยงนะฟังดูดีดีก่อนนะทุกเนี่ยเที่ยงเพราะทุกเท่านั้นเกิดขึ้นใช่ไหมทุกเท่านั้นตั้งอยู่แต่ทุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกดับไปได้ตัวสุดท้ายนี่คือทุกไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยจริงๆแล้วมันทั้งเที่ยง ส่วนใหญ่เนี่ยชอบตั้งอยู่ชอบเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไอ้ดับไปมันไม่ค่อยยอมดับสักเท่าไหร่ไอ้ดับโดยธรรมชาติไม่ต้องไปพูดถึงนะคือดับโดยธรรมชาติไมาถึงเอากิเลสโปเข้ามาแล้วก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวก็มาทุกข์ใหม่ไอ้อย่างงี้มันมันยังไม่พ้นทุกข์จริงอันนี้พ้นทุกข์ปลอมไ อ, อ้นี้ยังไม่ถือว่าทุกข์ดับจริงเพะะนันทุกข์ดับจริงๆเนี่ยดับได้แต่ดับได้ถึงที่สุดต่อเมื่อ ต้องหมดกิเลสเรื่องนั้นๆทุกนั้นถึงจะไม่เที่ยงแล้วพอดัดบทุกที่ไม่เที่ยงนั้นได้เนะี่ยคนนั้นอ่ะถึงได้เข้าสู่สภาวะเที่ยงที่เป็นนิพพานนะพยายามฟังดูดีดนะฟังไม่ดีจะเมานะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าเราเคยติดขนมเราเคยอร่อยกับขนมสักอย่างหนึง่ง ขนมอะไรดี่ะตอนนี้มีขนมอะไรกล้วยบอดชีอ้วาวสมบูรณ์ชอบกล้วยบอดชีนะปางกวดว่าโอ้โหก็เราชอบอะ่ะจะแม้ตอนนี้สัญญาของเราเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงนิด จ, จังหรืออนิด จ, จังกับกล้วยบอดชีเนี่ยอสัญญาเราจะเอาเที่ยงอ่ะเราจะเอานิด จ, จังเพราะว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราอยากจะกินอ่ะ ในเห็นมันก็อยากจะกินอยากจะกินเน่ะแล้วก็อยากจะกินอย่างอริอร่อยด้วยเพราะนี่ยเราพยายามจะทําสัญญาของเราให้มันเป็นนิจจังหรือพูดอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นกิเลสเนี่ยนะสัญญาที่เป็นนิจจังและเป็นกิเลสเนี่ยเราเรียกว่าอุปทานเพราะตอนเนี้ยอุปทานที่มีอยู่โอ้โหมันอยากกินมันอยากกินได้กินก็อร่อยเพราะเห็นไม่ได้เห็นกล้วยบวชชีก็อยากกินอยากกิน เราต้องกินให้ได้ด้วยถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากเป็นไงเป็นทุกข์เพราะันไอ้ที่เราต้องการเที่ยงตอนนี้คือเราต้องการเป็นสุขใช่ั้ยเพราะเราเราต้องการให้มันมันเที่ยงตรงนี้แต่ความเป็นจริงบางทีปรากฏว่าโอ้โหรถอาหารเข็นมาไม่ถึงเราโดนตัดหน้าไปซะก่อนหมดซะก่อนอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เราจิตของเราเนี่ยเราผูกให้มันเที่ยงใช่หเราอยากจะกินอยากจะกินอยากจะกินเนี่ย แต่คราวนี้มันไม่ได้กินทกุก็เกิดขึ้นเพราะนี่เราจะเห็นได้แล้วว่ามันไม่เที่ยงว่าทุกมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราฝึกมาเราปฏิบัติมาเราเริ่มเห็นเป็นอนิจจสัญญานนในกล้ยบวชีว่าเออจริงๆมันก็มีทุกมันมีโทษภัยมันมีอะไรอย่างที่บอกต้นๆ้นแล้วนะเราติดกล้ยบทชีนี่เหมือนกับอะไรเหมือนกับกิเลส ต, ตัวไหนที่พูดมาแล้ว เ, เหมือนตัวราคะใช่ไมจิตที่มันผูกตอนนี้เราก็พิจารณาโอ้โ ห, โโหโเห็นโทษเห็นภัยด้วยบทชี อ, อกะทิกินมากก็คอเลสเตอรอลมากอะไรอีกน้ำตาลมากก็เป็นอะไรนะคี้โม โ, โหแล้วก็ทำให้อะไรเกินน้ำตาลเกินเพ้อเอเบาหวานอ้าวโอ้นั่นเนี่ยคิดคิดคิดคิ ด, ค ด, คดจนกระทั่งไอความผูกพัน ความที่เราอยากจะเที่ยงกับมันเนี่ยใช่ไหมมันก็ลดลงลดลงลดลงเนี่ยมันโดนปัญญาของเราที่วิปัสนาคิดจนกระทั่งไอ้ความที่เราชอบเราอยากจะเที่ยงอนั้นมันลดลงมันลดลงลดลงลดลงลดลงลงถ้ามันลดลงจนศูนย์ได้เนี่แหละถ้ามันลดลงจนศูนย์ได้เพราะเราใช้อนิจจสัญญาเข้าไปพิจารณาพิจารณานะแล้วก็บอกลายุดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ไม่ได้ด้วยนะกลวยบทชี้ เพราะเราสาธารณะโภคีนะมันยึดไม่ได้หรอกมันอาจจะหมดก่อนถึงเราก็ได้เอเพราะฉะนั้นยิ่งเราคลายจิตคลายใจยอย่างนี้เราไม่ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันอะ่ะไม่ไปเจ้าเข้าจะขอแม้ว่ามันต้องอร่อยมันต้องติดนะต้องยึดว่าอย่างนั้นอย่างนี้พราคลายใจยอย่างนี้ไปได้กลายไปได้กลายไปได้ไไดจนศูนย์ละคนนี้ข้าวนี้เนี่ยคุณจะได้กินหรือคุณไม่ได้กินไม่มีปัญหา เพราะมันไม่ทำอะไรให้คุณทุกข์ได้เนี่ยเพราะมันหมดความที่เราไปยึดนะว่าจะต้องสุขเพราะมันแล้วลหมดตัวยึดว่าต้องสุขเพราะมันเพราะนั้นไม่มีมันเป็นไงเราก็ไม่ทุกเพราะมันไม่ได้มาให้สุขอะไรเรานี่ใช่ไหมแต่ไอตอนนั้นน่ะที่เราต้องได้มาเพราะเราไปยึดว่าอันนั้นน่ะมันต้องเป็นความสุขของเราเมื่อเรายึดว่าอย่างนี้ต้องได้มันมาเราถึงจะสุข เหมือนคนในโลกเนี้ยถ้ายึดถ้าบ้าเงินหรือว่าบ้าอำนาจบ้าลาบยศเสรรเริญอะไรก็แล้วแต่เขายึดว่าต้องได้สิ่งเหล่านี้แล้วถึงจะเป็นความสุขของเขาเพราะต้องได้มาถึงจะเป็นสุขถ้าไม่ได้เขาก็ถูกแต่คนที่ปลดปล่อยออกไปแล้วลาบยศเสรรเสริญ น, นะอำนาจเงินทองฐานะตำแหน่งอะไรไม่สําคัญน่ะไม่จําเป็นไม่ต้องได้ก็ได้นะไม่ได้มาทําให้ฉันสุขเสรกอะไรเลยเนี่ เอ่าคนคนนี้ปลดปล่อยอย่างนี้ออกไปได้จิตมันไ ม, ไม่ไปยึดเป็นแค่ข้าเจ้าของอะไรแล้วใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องสมมุติในโลกนี้อ่ะไอ้ต่างๆเหล่านี้คนนั้นปล่อยจิตอย่างนี้ออกไปได้ได้สิ น, นั้นมาหรือไม่ได้สิ่ง น, นั้นมาไม่มีผลไม่ทําให้จะต้องมาสุขสรรคอะไรนะมันจะวางใจอย่างเงี้ได้เพราะฉการวางใจอย่างนี้ได้มันก็จะทําใหอ้อะไรอะ่ะ สิ่งต่างๆนะโดยเฉพาะผู้เจ้าทะมีตัดอย่างนี้ท่านบอกตอนจบว่าหากได้อนิจจสัญญาสํญญาเร็จก็จะเกิดเป็นอนัตตสัญญาเนี่ยถ้าเราใช้อนิจจสัญญาเนี่ยการพิจรารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงในนั้นในอ น, นีนอน้คุณพิจรารณาไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยนะคุณพิจรารณาว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงคุณพิจรารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเนี่ยถ้าคุณพิจรารณาได้สําเร็จ จะเกิดอนัตตสัญญาก็คืออนัตตานั่นเองคือเออความไม่เป็นเจ้าข้าเจ้าของความหมดตัวหมดตนนี่แหละเนี่ยคุณพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอันนั้นมันไม่เที่ยงอันนี้แหละแล้วคุณจะหมดตัวตนพอคุณได้อนาตตสัญญาก็คือบรรลุนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสมาอย่างนี้เลยถ้าคุณหมดตัวตนได้คุณนิพพานได้ หมดตัวตนนี่ก็หมายถึงว่าใครมองไม่เห็นเราใช่ไหมฮะหมดตัวตนเนี่ยใครยังมองเห็นไหมเห็นเราะไอ้ร่างกายที่ยังอยู่กับเราแต่หมดตัวตนในที่ททหมายถึงหมดตัวตนของกิเลสเรื่องนั้นๆอ่าไปติดอะไรไปชอบอะไรไปโกรธอะไรไปเกลียดอะไรหมดตัวตนในความรักความชังเรื่องนั้นๆได้อันเนี้ยคนนั้นได้ได้เสร็จอตัวตนหมด พอเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคนเนี้ยถ้าทำอย่างนี้ได้พุทธเจ้าบอกนี่แหละได้นิพพานะกิเลสสิ้นเกี่ยงเพราะอันเนี้ยคือสี่สี่หัวข้อนะที่พุทธเจ้าท่านจรัดถึงการลดละกิเลสต่างๆซึ่งอาตมาก็พยายามมาพูดในแง่การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราลองไปพิจารณาดูให้ให้เห็นความเป็นจริงของตัวเราเอง ถ้าพิจารณาได้มันจะทำให้เราเนี่ยเอาไปใช้จริงๆพอเราเอาไปใช้จริงๆเนี่นะเรื่องไหนบ้างอะ่ะที่เรายังแย่อยู่เนี่ยเอาไปใช้เลยเนี่ยวิธีการต่างเนี่ยสี่หัวข้อนี้เอาไปใช้คุณคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยไปเลือกดูว่าเรื่องนี้เหมาะกับหัวข้อไหนเอาไปใช้แล้วถ้ามันถูกแล้วมันเหมาะกับเรื่องนั้นคุณจะลดได้เร็วเราจะเห็นเลยว่าเออ เราวางใจได้เก่งขึ้นแล้วการวางใจนี่วางแบบพุทธด้วยนะไม่ใช่วางแบบฤาษีไม่ใช่วางแบบสมถะไม่ใช่วางแบบกดข่มมาไว้เฉยเฉยกดข่มแบบไม่รู้ไม่ชิ้ไม่รู้ไม่ชิ้ช่างหัวเองจะยังไงก็ช่างนะไอ้อย่างงั้นมันแบบสมถะไอ้อย่างงั้นบอกแล้วมันเก็บกดเอาไว้กดข่มเอาไว้เท่านั้นเองนะมันไม่จิตมันไม่คลายจริงมันไม่สบายจริง แต่ถ้าวางได้อย่างของพุทธเนี่ยบอกแล้วว่าจะมีปัญญาเข้าไปด้วยปัญญาเนี่ยมันพิจารณาจนมัเห็นสัจจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตคนเราจริงๆเท่านี้มันไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้ต้องการอะไรมากมายอย่างนั้นหรอกชีวิตจริงๆมันเรียบง่ายจริงต้องการอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็ของจําเป็นบางอย่างจริงเราต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้ แต่ในความต้องการแค่สิ่งไม่กี่อย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยด้วยทุกอย่างนี้คืนสู่โลกนี้หมดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะเพราะพอเราคลายใจมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยกูจะมัวโกรธใครเสียเวลาทำไมกูจะมัวรักใครกะนนกกันหนาจนหัวปากหัวปั๊มเออมันก็บ้าบ้าบอไปทั้งนั้นอ่ะนะ เพราะฉะนั้นน่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้อย่างนี้เสียวเวลาแล้วมันก็จะสลัดออกพอสลัดออกได้จิตใจก็เบาขึ้นสบายขึ้นคราวนี้เนี่ยไปเจออะไรที่ไม่ถูกใจเราหรือไปเจออะไรที่ถูกใจเรามากไปเงี้ยพอเจอปั๊บทันทีเลยอัตโนมัติเลยจิตมันจะขึ้นมาทันทีเนี่ยสติมันจะมาเลยตอนนี้เป็นสติสัมโพชงแล้วมันจะมาทันทีเลยนะมาให้คุณเนี่ย โอ้ยอันนี่มันก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะมันก็เดี๋ยวแปรปวนได้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงได้บอกแล้วแม้แต่ความดีก็คหอะคุณจะบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วก็จะเอาแต่อย่างเงี้ยเอาแต่อย่างเงี้ยบางทีอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้แล้วเอาวเอาแต่อย่างนี้มันไม่ได้อะนะบางครั้งมันก็เอาต้องปรับมันต้องเปลี่ยนบ้างต้องแก้ไขบ้างบางอย่างเพื่อที่ให้เป็นไปได้ เหมือนกับตัวอย่างที่เคยยกมาเรื่องน้ า, นาในกลาที่โกสัมพีสูตรนะที่แบบว่าพิสูจมาทะเลาะกันนะเพราะเรื่องนิดหน่อยเองนั่นแหละก็ยึดแค่เรื่องนิดหน่อยก็ยึดใช่ไยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยึดเป็นตัวตนว่าฉันถูกฉันถูกฉันถูกแค่นี้ก็ยึดยึดจนทะเลาะ ก, กันก็ได้จนทำสังฆเพศ ท, ทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นสองฝ่าย คิดดูเอาก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยความมีมานะความมีตัวตนความมีอัตตาพนถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าใจยงนี้ได้เนี่ยนั่นมันจะสลายอัตตาพวกนี้สลายมานะพวกนีส้สลายความยึดพวกนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยอาจามาบอกด้วยเลยตอนนี้ถามใจเราเลยมีไม่ชอบใจใครบ้างเอามองข้างซ้ายมองข้างขวา ดูสิมีไม่ชอบใจใครบ้างก็เปล่านะคราวนี้ก็เริ่มเลยเออเดี๋ยวเอาฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มฝึกนะฝึกสลายตัวไม่ชอบใจไม่ใช่ไปฝึกสลายที่เขานะฝ <c oughs> ึกสลายที่เรานะะฝ <c oughs> ึกที่ตัวเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขา <c oughs> เอาที่ตัวเราเนี่ยแหละหรือบางทีเนี่ยเอาไปลากไปผูกพันไครเขาเอาไว้โอ้ไม่ได้หรอกไม่เห็นหน้าวันนี้นอนไม่หลับ นะไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างยี่ก็เหมือนกันโอ้เรารู้ใจเราแล้ ว, ลวโอย้ยี้ต้องหัดนะหัดล้างยังไงล้างลาคะด้วยอาสุภาก็แนะไปแล้วนะอาสุภาใช้ยังไงก็ไปฝึกจนกระทั่งเนี่ยมันสามารถที่จะเออล้างใจลงไปได้เพราะถ้าคุณไปทำจริงๆเนี่ยโอ้โหใจคุณจะสบายขึ้นเกียรติใครเราก็ไม่มี นะไปรักใครรักก็ทำให้ทุกข์อีกเหมือนกันใช่ไหมพอบอกแล้วไม่เห็นหน้าก็ทุกข์อา้าวไม่ได้ไปพูดคุยด้วยก็ทุกข์อะถ้าไปรักใครอันนี้เราไม่รักก็จริงพ่อท่านใช้คำว่าเราไม่จะไปผูกพันกับใครแต่เรามีสัมพันธ์ใช่ไมเจอเจอกันได้นี่เอพูดคุยก็กได้แต่จิตเราต่างหากแหละที่มันไม่ไปผูกพันมันมันไม่ไปมีราคาอาจะคุยกันเรื่อง ทำรรมาจะคุยเรื่องการงานจะคุยกันเรื่องอ่าเข็นกรงล้อธรรมจากรคุณก็เข็นมาดิอ่าผู้ชายก็เข็นสี่ข้างซ้ายผู้หญิงก็เข็นอะไรสี่ข้างขวาอะไรเข็นคนข้างกันแล้วกันเข็น <c ười> <c ười> <c ười> ข้างเดียวกันล้วมันยุ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเราก็รู้สิ่งเหล่าเนี้ยแล้วก็ฝึกพอฝึกแล้วคุณไปสํารวจตัวเองเลยว่าเออใจสบายขึ้นจริง โอ้โหสบายขึ้นนะแม้แต่เรื่องเนี่ยเรื่องอะไรอะ่ะที่หลับที่นอนเรื่องอาหารการกินพอคุณฝึกขึ้นมาแล้วอ้ยคุณสบายมีกินบ้างไม่มีกินบ้างก็ไม่ทุกข์อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างไม่ทุกข์ถ้าคุณฝึกมาแล้วนะแต่ถ้าคุณไม่ฝึกนะโอ้โหบอกละแค่เดินผ่านมาเห็นหน่อยก็โอ้โหวันนี้เดี๋ยวไปชมอมาลดีกว่า ในวัดไม่ได้เรื่องเลยนะอาหารเอา้าแตถ้าคุณฝึกมาแล้วคุณจะวางใจได้นะทําไมาผู้เจ้าเนี่ยถึงบางทีให้ภิกษุเนี่ยท่านก็ฝึกนะที่ท่านมีทุ ด, ดงควาสเน่ยนะนะฉันแต่อาหารบินธบาตมาได้เงี้ยอท่านก็ชันเฉพาะอาหารที่บิณธบาตมาได้ท่านก็ฝึกเอามาให้ที่หลังไม่รับเลยนะโอ้โหเอาเฉพาะที่บินธบาตได้ แล้ได้มายังไงได้มาแต่ข้าวเปล่าก็ฉันได้ข้าวเปล่าถือว่าได้มาแค่ข้าวท้าพีเดียวก็ฉันแค่นั้นแนหะถ้าพีเดียวแล้วก็พอหัดวางใจวันนี้มีแค่นี้ฉันก็แค่เนี้คือมันไม่ไปโหยหาไม่อะไรอาวบ์ไม่ไปวิตกไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงอะไรต่ออะไรเยอะแ ย, ยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นคารวะอยู่เนี่ยถ้าไม่เข้ามาถึงระบบ ออโศกเราที่เข้ามาถึงในวัดเนี่ยนะคุณยังมีบ้านมีช่องมีอะไรอยู่ทั่วๆไปคุณยังไงคุณก็หนีวิตกไม่ค่อยพ้นน่ะยังไงน้อยก็ต้องหาเงินทองไว้บ้างเดี๋ยวต้องไปเสียภาษีเสียค่านา้าค่าไฟต้องไปเสียอะไรหนีไม่พ้นนะใช่ไหมยังไงก็ต้องจำเป็นจะต้องคิดถ้าถ้าไม่ได้ไปมีบุญที่ไหนหล่นมาให้นะ <c oughs> ถ้าโดยตัวเองแล้ว ก็ต้องคิดจนได้หนีไม่พน้นเพราะว่าทุกอย่างในในโลกนี้ทั่วไปแล้วก็ว่ากันด้วยเงินนะใช่ไมยิ่งคุณอยู่ในสังคมมีผู้คนมีอะไรหนีไม่พ้นเลยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอันที้ฝากไว้นะให้พวกเราเป็นแง่คิดที่จะได้ฝึกนะวางใจฝึกคลายใจได้ดีขึ้นน่าจะมาหวังว่าถ้าพวกเราฝึกได้ดีขึ้นเนี่ยโอ้ คุณจะทำงานกับใครคุณจะไม่เป็นตัวปัญหาแต่คุณจะเป็นตัวที่ดับปัญหาหรือแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ด้วยถ้าเราฝึกได้ดีขึ้นอาววันนี้คงฝากไว้แค่นี้